b o ๊ก <Book> 2ูยี่สิบสี่การนัดหมายอาวัตถาเคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะรักตัวไม่ขึ้นบัส n ดิฉันรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือคะหาดูวิเคราะห์มือถื d กับครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะคะว p u n k t l e g ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะคะ n ่ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะ Med deg neste gang. พรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะวันพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะวันพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะว h นพรุ่งนี้เราจ r พบกันดีไหมะวันพรุออ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะวันพรุ่งนี้เร o จะพบกันดีไหมคะวันพรุ่งนี้เราจะพบกังคะ หรือว่าคุณมีนัดแล้วคะหรีนัดแล้วคหรือมีน้วคะหรอมีนัดแล้วคะหรือมีนัดแล้วคะหรือ n ีนัดแล้วคะหรือมีนัด้วคะหรอมีนดแวคะหรือมีัดแล้วคะหรือ s ีนัดแล้วคะหรือ i ีนัดแล้วคะหรือมีนัดแล้คนัดีนดหมีคะหมคะหรราไปชายหาดกันดีไหมคะ Dra til เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมคะ dra ฉันจะไปรับคุณที่ทำงานฉันจะไปรับคุณที่บ้านฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร ฉันจะไปรั i คุณท s ่ส e า p l a ถ s e n